การฝึกหัดควบคุมกิดในเบื้องต้นมันก็ไม่ผิดอะไรกับเราไปดูต้นไม้ที่จะนํามาทําบ้านมาปลูกบ้านคือไม้ทั้งต้นไปดูแล้วมันอ่อนใจเหมือนกันอะไรที่จะสามารถไปเป็นบ้านเป็นเรือนได้มองดูเห็นแต่ไม้ทั้งต้น เต็มไปด้วยเปลือกเลยกิ่งก้านสาขาเต็มไปหมดในสิ่งที่เราไม่ต้องการทั้งนั้นที่ไปเห็นนั้นสิ่งที่ต้องการมองไม่เห็นเลยคือแก่นที่เป็นเนื้อแท้ถึงสมควรจะมาทําเป็นบ้านเป็นเรือนได้มันอยู่ภายในเรามองไปที่ไปเห็นด้วยตาเนื้อทชักนี้มันมีตั้งแต่เปลือกมีแต่ลําต้น มองขึ้นไปข้างบนก็มีตั้งแต่กิ่งก้านสาขาใบดอกเต็มไปหมดแล้วทำไมจะไม่อ่อนใจแล้วไม้ที่จะปลูกบ้านปลูกเรือนให้สำเร็จโดยสมบูรณ์นั้นต้องมีจานวนมากด้วยไม้ต้นเล็กๆจะมาทำบ้านทำเรือน มาเลื่อยมาแก้รูปเป็นต่างๆให้ได้หลายแผ่นหลายๆชิ้นอย่างนี้มันก็เป็นไปไมได้จะต้องถาไมา้ต้นใ ห, ใหญ่ๆน<ม>ี่นั่นเราเวลาเราไปมองเห็นต้นไม้แล้วมันทําให้อ่อนใจเหมือนกันแต่เมื่อรู้วิธีที่จะทําแล้วก่อนใจมันก็รู้วิธีมันพอทําได้ ไปตัดไปคน้นลงมาแล้วต้องเลื่อยอก็ต้องมีแบบมีทบการตัดการข้นการเลื่อยอะไรต้องมีแบบมีทบมีหลักมีเกณฑ์คือมีความรู้วิชาไม่งั้นไม้ก็เสียหมดผลที่จะคุณได้ก็ไม่ค่อยปรากฏเท่าที่ควรการประพฤติปฏิบัติทางด้านจิตใจในเบื้องต้นที่เรายังไม่เคยเลยมันก็ต้องอ่อนใจด้วยกัน เพียงว่าจะดพอได้ทราบจากท่านสอนเรื่องการภาวนาเท่านั้นเราเอาเรื่องภาวนาซึ่งเป็นเรื่องสําคัญอยู่มากยิ่งกว่างานอื่นบรรดางานของพุทธศาสนางานภาวนาเป็นงานสําคัญอยู่มากทีเดียวทวนันหก็หนักมากต้องใช้ความละเลอียดรอต้องใช้ความอดกลมทนจริงจริงจังๆถึงจะได้ผลเป็นลําดับไปทีเพียง ได้ยินว่าภาวนาลำบากอย่างนั้นอย่างนี้บ้างแต่เรายังไม่ทำมันคิดลำบากไว้ก่อนแนละ้วเป็นทุกคิดทุกคิดยากคิดลำบากท้อถอยอ่อนแอภายในจิตใจทำให้ใจก่อนไปหมดแนละ้วนั่นมันก็เหมือนเราไปมองในต้นไม้ใหญ่ๆที่จะมาปลูกบ้านทั้งหลังนั่นจะทำยังไงไม้ทั้งต้นนี่ที่ทำได้ไหนก่อนแต่ที่เรา นั่งอยู่เวลานี้มีแต่ไม้ทั้งต้งนอยู่นละ่ะอืลเขาแปลกระพ้ามาเป็นกระดานพื้นเป็นทันทันเป็นถือ่อเป็นแปรเป็นลายคนแรกแต่งในช่างเขาสําเร็จโดยสมบูรณ์ขึ้นมาเพราะความอุสาพยายามและความฉลาดของเขามีการบําเพ็ญ จ, จิตใจก็เหมือนกันต้องอาศัยความอุตาพยายามความอดทนทนเช่นเดียวกัน ทันสอนคือวิธีการทันสอนให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้เช่นบอกวิธีภาวนาหรือวิธีเดินจงกรมวิธีนั่งสมาธิแล้วให้ทำจิตดังนั้นดังนั้นเป็นวิธีการของท่านเราที่ไม่เคยทำเลยมันมันเป็นทุกข์ก่อนแล้วจิตใจอ่อนไปหมดไม่มีกำลังแต่ถ้าความมุ่งหมายอยาก ในบ้านได้เรือนหลังสวยๆงามๆแมน่นหนามันคงสง่าผ่าเผยเป็นที่ปลอดภัยไร้ทุกโดยประการทั้งปวงแล้วมันก็ไม่เห็นยากอะไรนี่เห็นไม้ทั้งตน้นทําไมโลกเขาทําได้เราจะทําไม่ได้นั่นบ้านทั้งหลังโลกเขาสร้างได้ทําไมเราจะสร้างไม่ได้เขาเอาอะไรมาสร้างเขาสร้างด้วยวิธีใดเรวก็คนคนหนึ่งทําไมจะปลูกบ้านหลังหนึ่งด้วยไม้แบบนี้ไม่ได้ล่ะนีะ่แหละมันก็ได้เท่านั้นเองอันนี้ก็ เช่นเดียวกันท่านผู้มีบ้านมีรวนหลังสงา่าพาเผยใหญ่โตลโลหะฐานปรากฏเด่นทัดมองมาทางไหนก็เห็นหมดกระเทือนทั่วทั้งโลกกะาก็ได้เจรจอมปราดทั้งหลายมีประพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกท่านผู้สร้างบ้านสร้างเรือนอันแนนามัน่นคง มีควาเยี่ยมยิ่งกว่าบ้านดุลนทั้งหลายมีหมายถึงดุลันใจแล้วท่านทำวิธีใดท่านจึงสามารถฉลาดรู้และได้ทรงผลเป็นที่คุณตัทธนาจนได้ปรากฏชื่อดีมาและได้บอกวิธีการกต่างๆให้แก่สัตว์โลกทั้งหลายได้ทราบที่เรียกว่าประทานทโธวาตเอาไว้นั้น เราก็เป็นคนคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้มีความมุ่งหวังต่อความสุขความจเจริญแตพ่ออย่างยิ่งทางน่านจิตใจท่านทำอย่างไรเราก็พยายามทำอย่างนั้นอะจะยากลาบากแค่ไหนจิตทั้งดวงมันก็เหมือนไม้ทางตน้นเพราะมันเต็มไปด้วยหลากแกว้วหลากปล่อยกิ่งก้านสาขาอะไรมีตั้งแต่ลกแจวหลักขอยของวิชาตันหาอาสวะ สิง่งการสาขาดอกใบที่มันแตกออกมาเต็มจิตภายในจิตนี้มีแต่อันเดียวทั้งหมดตัวจิตจริงจรงมองไม่เห็นเลยนัะ่ะมันเต็มเพราะด้วยสิ่เหล่านี้ทั้งนั้นคือสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาเช่นเดียวกับเรามองไปต้นไม้นั่นเห็นแต่สิ่งที่มันไม่พึงปรารถนาส่วนเนื้อแท้ที่จะเอามาเป็นบ้านเป็นเรือนมองไม่เห็นเลยอยู่ข้างในจิตอันแท้เนื้อแท้คือจิต แค่นั้นเรามองไม่เห็นมีแต่เรื่องกิเลสทันหามะไม่รู้กี่ขั้นกี่ับกี่กันที่ได้สังสมมาเป็นมะีลาพอกาหนดกิตลงไปไปเจออันนี้แล้วก็ทำให้อ่อนใจความมืดตื้อก็คือเรื่องของกิเลสความมนุษภาษีภาษาอะไรเลยมันก็เป็นเรื่องของกิเลสเนี่ย มองหาทิศหาทางที่จะเป็นสาระสําคัญพอที่จะเป็นเครื่องดูดดูดจิตใจมันไม่เห็นมันมองเห็นแต่เรื่องของกิเลสที่จะทําให้เรามีความท้อแท้อดแอร์พยาจิตใจทั้งนั้น ม, มีในเบื้องต้นเป็นเช่นนั้นไม่ว่าใครทั้งหมดมถ้าพุทธเจ้าก็ตามพระสาวกก็ตามพวกเราละละท่านๆหรือครูอาจารย์ทัานหลักที่เคยให้การอบรมกาสอนเรามาโดยลําดับจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ตามท่านก็เป็นเช่นเดียวกับพวกเรานั่นแหละแต่ก็เพราะความพยายาม ได้วิธีการจากทำที่เราได้ศึกษาเราเรียนได้จากครูบาจารย์แล้วนาวิธีการนั้นไปใท้าโดยความเพียรนั่นตนเองสติปัญญาท่านบอกอยังไงก็พยายามดําเนินนั้นตามนั้นแล้วพยายามบังคับจิตใจของเราให้มันแตกแขนงไปด้วยอำนาจของกิเลสแตกประทางใดบ้างคิดตรงในทางใดบา้างนะพยายามหักห้ามเขามมาด้วยสติพยายามหาอะไรเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งมาด้วยบทธรรมนี่อะไร เบื้องต้นเป็นอย่างนั้นต้องบังคับตป็นอย่างขึ้นมวนกวดขันตั้งท่าต่งางๆเหมือนจะเอาเป็นเอาตากันจริงๆกับการภาวนาเพียงพองนั้นการภาวนาทั้งหมดถือว่าเป็นความดีแต่ในขณะที่เราทําเหมือนก็จะเข้าแตงแตงถูกค่าถูกสังหารอั้างนั้นแหละมันฝืดมันเคลืองมันอะไรทั้งหมดรวมมันนั้นหมดถึงเมื่อจิตใจจิตเต็มไปด้วยวิเล ในถูกการบังคับบัญชาก็เหมือนกับถูกการซักฟอกนั่นแหละด้วยสติด้วยบทธรรมบทต่างๆอย่างเอารินเอาจังก็ค่อยปรากฏเป็นผลขึ้นมาคือค่อยปรากฏเป็นความสงบความเย็นใจขึ้นมาความสงบกับความเย็นกับความสบายนะ่ะมันอยู่ด้วยกันนั่นแหละ ถ้าสงบนั่นก็สบายนี่ความสงบนั่นเกิดขึ้นจากการบังคับบรรัญชาเกิดขึ้นจากการฝึกทรมานด้วยสติแล้วก็ปรากฏขึ้นมาคือห้ามไม่ให้จิตมันคิดเพ่นพ่านไปเจ้าสั่งสมกิเลสันเป็นยาพิษเพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อยๆตัดทางเดินของกิเลสด้วยสติปัญญาหักห้ามไม่คิดกลุ่มในไปในอารมณ์ต่างๆในขณะที่เราต้องการความสงบ แกดีใจของเรานี่เมื่อทําถูกทางทําถูกวิธีอีกก็เริ่มปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาสงบมากขึ้นมาสงบละเอียดละออขึ้นมานั่นทีนี้เป็นเรียกว่าเริ่มมีต้นทุนพอเหมือนเขาเขาเริ่มตัดไม้พอตัดเข้าไปก็จะเริ่มเห็นแก่นของมันละกินแล้วลยิ่ง เลื่อยออกมาเป็นแผนเป็นะไรแล้วยิ่งเห็นได้ชัดไม้เนื้อยังไงบ้างดียังไงปลอดภัยปลอดหรือไม่ปลอดเนื้อบริสุทธิดียังไงสร้างหมดอันนี้จิตทั้งเราเมื่อมีความสงบเย็นลงไปแล้วก็ไปเห็นจิตทั้งตัวเองซึ่งทรงตัวอยู่โดยลาพังไม่มีอารมณ์อันใดเข้ามาก่อกวนความไม่มีอารมณ์อะไรเข้ามาักจู้จีก่อกวนนี้เป็นความสุข นี่คือคุณค่าของจิตที่เป็นที่เกิดความสงบแสดงคุณค่าขึ้นมาให้เราเห็นแล้วในขณะเดียวกันเราก็เห็นทั้งโทษที่จิตเกิดความผุ้งสร้างวุ่นวายตั้งแต่เริ่มแรกสต่ไหนแต่ไรามาก็าตามก็ประมวลเข้ามาเห็นโทษในเวลาที่จิตสงบไม่เช่นนั้นเราก็มองเห็นสิ่งเทียบเชียนกันม่ได้ถ้าไม่มีความสงบเลยเมื่อจิตมีความสงบ ความสงบนี้ก็เป็นเครื่องเทียบเทียงกับความไม่สงบคือความสงบมีผลดีอย่างไรเห็นหมความไม่สงบมีผลร้ายอย่างไรมันก็เห็นได้อย่างชัดเจนมีการพยายามบุกเบิกจิตใจให้กล้าหน้าไปเดินลำดับหรือพยายามคุ้ยเสียสิ่งที่ม เ, เป็นภัยต่อจิตใจด้วยธรรมะสัดสารกันออกโดยลํำดับลำดับจิต ก, ก็มีความสงบแน่วแน่ลงไป ส่วนที่จะเรียกว่าสมาธิหรือไม่สมาธินั้นมันเป็นชื่อขอให้เป็นความปรากฏภายในจิตใจที่เรียกว่าสันติสุขให้เห็นเองฉําหลักผู้ปฏิบัติเถอะความตกความสบายหรือความอัศจรรย์อะไรจะเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นกับจิตดวงที่ถูกทำละสักฟอกอยู่โดยสม่ําเสมอ น, นี่แหละไม่มีที่อื่นเป็นที่ปรากฏความแปลกประหลาดและอัศจรรย์เมื่อจิตได้เริ่ม เห็นความแปลกประหลาดแล้วการขึ้นพันในตัวแล้วเรื่องความขยันมันเพียงความอุตสาห์พยายามนั้นมันเป็นมาเองภุมิยากลาบากแค่ไหนเขามายอมลดละมายอมถอยหลังคลืบหน้าไปเรื่อยๆด้วยความเพียรทีนี้เราก็พอทราบการเข้าการออกของจิตการคิดผิดคิดถูกของจิตคือการก้าวเดินของจิตเดินไปทั้งผิดถูอย่างไรบ้างเราพอทราบได้เพราะมีสติ ป, ปัญญาเป็นเครื่องนรมัตระวังรักษา แต่ก่อนไม่มีเลยมีแต่ที่เหล็กเอาไปขย่ำซะแหลกหมดถ้าว่าจิตนี้เป็นเหมือนสิ่งทั้งหลายนี้ไม่มีอะไรเหลือเลยเลยผุ้ยผงเปนซะอีกอาจจะเรียกได้ ว, ว่าเป็นอากาศกระทาจนหมดเลยแต่นี่ก็ไม่เป็นเพราะจิตคงทนต่อทุกสิ่งทุกอย่างกระทุกทกระอยากลาบากแค่ไหนก็รับทราบอยู่โดยปกติทั้งตนไม่มีความพิถียิเมื่อได้รับการชักว่ขึ้นมา คาสว่างภายในตัวเองก็ปรากฏเริ่มฉายแสงออกมาได้เพราะสิ่งปิดบังนั้นเป็นสิ่งสกปลกโสมมเป็นสิ่งที่มืดมืดดำๆได้ค่อยกระจายออกไปเช่นเดียวกับก้อนเมฆดำๆที่จางออกไปก็ด้มองเห็นแสงสว่างเห็นพระอาทิตย์เช่นนั้นเหมือนกันจิตใจก็เริ่มมีความสว่างสวายขึ้นมาที่นั่งอยู่ที่ไหนก็เริ่มสบายนะทีนี่นะทาการทางานอะไรก็สบายทาให้เพลิน ในหลักปัจจุบันที่เป็นอยู่ภาณกนจิตก็ทําให้มีความสบายคิดย้อนหลังมาถึงการภาวนาของเราก็ทําให้เพลินนะแล้วคิดไปข้างหน้าก็ทําให้เพลินที่จะขยับตัวขึ้นด้วยความเพียรอย่างนี้เรื่อยๆห้ทําให้เพลินไปเรื่อยๆแหละมีความสงบความสบายความแปลกประหลาดความอัศจรรย์ ค่อยเริ่มปรากฏขึ้นตามขั้นแห่งความสงบมากน้อยเลือละเอียดต่างกันเป็นลำดับนลยนะท่านให้ชื่อว่าสมาธิคือมีความแน่วแน่มีความมั่นคงคือภาณกิจิตคือในจิตไม่ค่อยโอนไม่อเองอะไรนักละ่ะเพราะมีหลักมีเรือนเป็นที่อยู่เราพยายามสร้างเรือนให้จิตนี่ เดือนขั้นนี้เป็นขั้นสมาธิสงบเย็นจใจสบายพอจิตมีความสมายเราก็เริ่มเห็นคุณค่าของเราตั้งแต่จิตเริ่มสบายเป็นลหดับหนักลาดับมาเหมือนกับเรามีทรัพย์สมบัติอยู่ภายในตัวของเราไปไหนก็ไม่ควายิดตบยุยารว่าจะโอดากขาดแคลนเพราะทรัพย์สมบัติเป็นเครื่องขนองมีอยู่แล้วอืจิตใจเมื่อ เป็นสมัดขึ้นภายในตัวเองให้เกิดความสงบเย็นใจประจํากับใจอยู่แล้วก็มีความสมายจะยืนจะเดิ น, จ ะ, ดนจะนั่งจะนอนกไ็ไม่ว้าวุ่นขุนมัวไ ม, ม่ว้าวิมีความเย็นสบายนี่เป็นขั้นของสมาธิเป็นเรือ น, เอนขั้นนะเนี่ยขั้นต่อไปก็คือเรื่องปัญญาพยายามึสืบคิดค้นตามท่าตามขันตามมรรนะนของเราด้วย หลักธรรมชาติที่ท่านสอนไม่โดยถูกต้องและเป็นทางเดินของพระพุทธเจ้าและพระอริยะเจ้าทั้งหลายที่ท่านเคยผ่านไปแล้วท่านเคยเดินไปแล้วเป็นความถูกต้องเดี๋ยมาสอนพวกเราว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานี่เป็นทางเดินเพื่อขันนี้ผ่านเพื่อความดุดพ้นเป็นลำดับ้นดัะอืมอันใดที่เป็นความสนิทภายในจิตใจถูกต้องกับจิตของเรา เรามีความสนิทกับธรใรดในทั้งในทำทั้งสามโปรไฟล์นี้เป็นอดีตจังก็าตามเป็นทุกขังก็าตามเป็นนักตาก็าตามและเรามีความชอบใจกับอาการใดหรือกับธาตุในในธาตุทั้งสี่นี้กับอาการใดในอาการทั้งสามที่สองซึ่งมีดิูภายในร่างกายของเรานี้กับอายุนะใด ในบรรดาอายุรนาที่มีอยู่ในตัวของเราคือตาหูจมูกเลี้ยงกายตลอถึงใจเราจะพิจารณาอายุรนาใดก็าตามพิจารณาอาการใดของร่างกายก็ต่างจะพิจารณาธาตุใดของธาตุนั้นสี่นี้ก็ต่างย่อมเป็นทางเดินเพื่อความรู้แจ้งทิ้งด้วยกันเพราะเป็นสัจธรรมด้วยกันถา้าเป็นไตรลักษณ์ก็เป็นไตรลักษณ์ด้วยกัน เป็นสติปัญฐาสี่ด้วยกันตามแต่จิตของเราที่ถกจะพิจารณาลรื่องหนักในอาการใดในธาตุใดขันใดแล้วก็เป็นเหตุให้กระจายไปหมดไม่เพียงแต่จะรูปชนธาตุเดียวขันเดียวนี่เท่านั้นยังสามารถที่จะซึมซาบตลอดทั่วถึงไปหมดไม่ว่าขันใดๆเพราะเกี่ยวเนื่องกันเป็นแต่เบื้องตน้นเราชอบในอาการใดขันใดธาตุใดเรา ทำงานในขันนั่นก่อนแล้วก็ขยายงานออกไปด้วยอำนาจของสติปัญญาที่มีความสามารถโดยลําดับแล้วนี่คืองานของเรางานของผู้ปฏิบัติที่จะขี่เดินนาหรือดําเนินไปโดยลำดับเหมือนกับว่าก้าวเดินไปเรื่อยๆด้วยหลักธรรมคือเรื่อ ง, งทุกขังตาเป็นสายทางให้พาเดินไปด้วยสติปัญญาของเรา มีขั้นนี้เป็นขั้นถอดถอนเึ็นขั้นเริ่มแรกเป็นขั้นไอตาล่อมกิเลสให้รวมตัวเข้ามาสู่ภาณนจิตให้จิตมีความสงบพาจิตมีความสงบแล้วก็มีกําลังควรจต่การพิณิพิจรารณาท่านเพียงม่ให้นอนาจสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาพราโหติมหานิสร้างสร้างปัญญาที่ สมาธิอบรมแล้วยอมมีผลมากมีไอสอูงมากมนั่นคือสมาธิเป็นเครื่องสนับสนุนของปัญญาได้ดีแต่ไม่ใช่มีสมาธิแล้วจะต้องเกิดขึ้ น, เ ป, นเป็นปัญญาขึ้นมาเองโดยเจ้าของไม่ต้องพิจารณาอย่างนี้เป็นไปไม่ได้ตามหลักปฏิบัติแล้วต้องพิจารณาพิจารณาตรงไหนจุดใดอาการใดให้มีความรู้สึกสัมผัสสัมพันธ์มีสติ มีความรับทราบมีความจงใจดูในจุดนั้นในอาการนั้นในธาตุนั้นหรือขันนั้นัน้นนี่ชื่อว่าปัญญาเมื่อพิจารณาเข้าใจแล้วปัญญาจะค่อยซึมซาบไปในขันและธาตุอื่นๆไปโดยลำหนักลำดาเป็นความเพลิดเพลินในการพิจารณาไม่ใช่ว่าจะพิจารณาด้วยการบังคับคือจิตได้เห็นคุณค่าของการถอดถอนที่เรียบด้วยปัญญา มากน้อยเพียงใดย่อมมีความดูดดึงต่องานของตอนโดยลำดับเพื่อจะถอดถอนกิเลสเป็นลำ ด, ดับขึ้นไปจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในปิตใจนั่นเลยจิตย่อมมีความเพลินเพราะมีต้นทุนคือสมาธิไว้แล้วเป็นความฝูกความสว่าด์เมื่อเวลาเราเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าโดยการพิจารณาในเนี้ทําต่างๆด้วยปัญญาเราถอนจิตออกจากนั่นเข้ามาสู่สมาธิคือความเย็นสบายนี้เสีย เหนื่อยคุ้งสานลำคาญเพราะเรามีเยือนแห่งความสงบผีแล้วภายในใจของหลัาจากนั้นเราก็พิจรารณาคือพิพจรารณาก็เหมือนกับเราทํางานเมื่ออิดเหนื่อยเมื่อล้าเราพักสักทีเกินรับทานอาหารพักผ่อนนอนหลับให้สบา ย, บายเวลานั้นเราไม่ต้องเป็นเป็นห่วงเป็นกังวลกับงานใดๆทั้งสิน้นทักให้สบายพอสบายแล้วก็ทํางานอีกเวลาทํางานไม่ต้องไปกังวลกับการพัก พอได้พักมาแล้วเวลานี้เป็นเวลาทางนานขนาดที่พักความเพื่อจิตพักเพื่อความสงบของจิตแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาพักจะพักเพื่อทําบทใดก็าตามเช่นกําหนดพูดโธหรืออนาปานสติให้ตั้งหน้าต่อจิตเพื่อความสมบงบเท่านั้นไม่ต้องไปคิดยุ่งกับเรื่องปัญญาใดๆทั้งสิ้นในขณะที่ทําให้เป็นสมาธิให้สู่ความสงบ พอออกจากความสงบที่จะกล้าทางด้านตัญญาให้มีแต่หน้าที่ของปิยนาทางด้าตัญญานั้นเรื่องความห่วงเรื่องสมาธิเพื่อความสงบนี้ไม่ต้องเพราะขัดแย้งกันกับงานที่กำลังทำนั่นคืองานสมาธิอกด้านคืองานของปัญญาการทำต้องมีการคิดการปรุงการอัตรึกรองพิจนารณาในสิ่งต่าง เพื่อความรู้แจ้งห็จริงในสิ่งที่ตนยังไม่เข้าใจและยังงในสิ่งที่กําลังติดพันกันกับใจอยู่ให้เห็นแจ้งด้วยปัญญาของต้นเวลานี้เดียวว่าเว ล, ลาทํางานทําให้เป็นเม็ดเป็นหมดใจต้ตองนยนุ่งจนที่เห็นแจ้งให้นจริงอา้าวธาตุขันขันไหลถหนั ก, กับติดในขันไหลรูปก็ขันแยกดูให้ดีนั้นมีแต่กองเนื้อกองหนังกองกระดูกทั้งนั้นตัดทาตุพิดิบจนอย่างนี่หมดหเรามาถือทําไม มาอายความจริงบ้างเหรือถือว่าเป็นเราเป็นของเรานี่คือเราสอนเราสอนหลัง น, นี้ดูนี่เราไปเยี่ยมป่าชาน้ำประชาภายนอกยังคนทั่วป่าชาภายในตวงเรานี่เต็มไปหมดเออยิ่งหน่ายิ่นาละอาใจ ย, ยิ่งกว่าป่าชามากมาจากกองทําไมมาถือว่านี่เป็นเรานี่เป็นของเราไม่ละอายกดหลักธรรมชาติบ้างหรือคือความจริงของเขาเขาไม่เป็นอะไรกับใครนี่เขาไม่รับทราบรับรู้อะไรจากใครแต่ทําไมเราจรึงไปยอมนตนบ้า ต่อเขาจนมากมายแล้วก็โกยทุกมาให้ตัวเองอย่างมากหนักยิงกว่าภูเขาทั้งลูกเป็นทุกข์ยิ่งกว่าสินใดทั้งหมดในโลกนี้นะ่กการพิจารณาองนี้ก็พิจารณาเพื่อแก้ความหลงของของเรานั่นแหละไม่ใช่พิจารณาเพื่อจะเอาธาตุเอาขันเอารูปเอาอายชนะเหล่านี้มาเป็นตนเป็น้องตนเขามีความจริงอยู่อย่างไร เขพิจารณาเพื่อให้ถึงความจริงของเขาแล้วจะได้ถึงความจริงของจิตเะได้ถึงความจริงของสติของปัญญาของตนอย่างชัดเจนทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายเป้าหมายขอยาการพิจารณานี้แหละฝ่ายผู้พิจารณาตลอดถึงปัญญาของตอนเองการพิจารณาจึงไม่หมายจะเอาสิ่งนั้นๆถ้าเราพิจารณาลูกก็ไม่ได้หมายจะเอารูปเอาเวท น, นาเอาสัญญาทั้งหลายวิญญาณแต่ให้พิจารณาเพื่อให้รู้เรื่องของลูกของกายของธาตุของขันธ์อย่างชัดเจนตาม ความจริงของหนาพิจารณาเวทนาสัญญาทั้งขันยานก็เช่นเดียวกันเพราะจิตเป็นผู้ลุ่มผู้หลงติตเป็นผู้สําคัญมันหมายจึงต้องแก้ความสําคัญหมายของตนด้วยสติปัญญาให้เข้าใจแท้จริงโดยลําดับแล้วเราจะถือว่าเราพิจารณาหลายครั้งหลายหนแล้ววันหนึ่งหนึ่งพิจารณาหลายครั้งหนไม่สําคัญสําคัญที่ความเข้าใจเข้าใจจนต่อยวางได้ถามว่าเรา อ่อนเพียงแล้วก็พักเป็นการพิจารณาดังที่เคยอธิบายมาแล้วพักในความสงบน้อมจิตก็มาสู่ความสงบแล้วภาคเสียหลังนั้นเราจะพิจารณาเราก็พิจารณาดังที่เคยพิจารณาเลยนะช้วช้ำซากซากไม่หยุดไม่ถอยจนเป็นที่เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วมันก็ปล่อยเองอเราพิจารณาเพื่อความเข้าใจเพื่อความปล่อยวางไม่ใช่เพื่อความดิดถือนี่ถึงจะ ย, ยากจะลําบากอย่างไรก็ตามเมื่อ เราได้ดำเนินกิจก้าวมาถึงขั้นนี้แล้วจะเป็นขั้นที่มีความเพลิดเพลินต่อทั้งเหตุทั้งผลที่ได้รับมาแล้วและผลที่จะได้รับในการต่อไปด้วยการประพฤติปฏิบัติของเรานี่เราเป็นผู้เข้าใจในงานถ้าเราเป็นไม้ก็กําลังด้วยกําลังสากบโจเปี่ยมของมันอย่างเทินน่ะเพราเข้าใจวิธีทุกอย่างไม้ตกมาเป็นแผ่นเป็นแผ่นเป็นแผ่นทีเดียวกระดานเจ้าประเภทไหนเลื่อยออกมาเป็นเป็นท้่เป็นอันเห็นอย่างชัดเจน ควรที่จะใสขบรูปเหลี่ยมไส่ลงไปควรจะเจาะจะสิวเจาะลงไปเรื่อยๆตามความตลาดของช่างที่ต้องการอย่างไรนี่ก็เป็นความตลาดของผู้ปฏิบัติที่จะแยกจะแยกขัดขันให้เป็นอะไรตามความจื่นของมันแยกจะตามด้วยอำนาจของสติปัญญาไม่ลดไม่ละไม่ท้อไม่ถ่อจนสามารถถอดถอนตอนตนั่ง ต, อ น, ตอนออกได้เช่นจากรูปถ้าพิจารณาชัดเจนลงไปจนเห็นชัดเจนตามความตื่นขึ้นมาแล้วจิตจะทนไปยัดยืนมั่นถือมั่นอยู่ไม่ได้ บางคับให้ยึดก็ยึดไม่ได้ต้องถอนตัวออกมานะนี่คือความรู้จริงเห็นจริงถือเอาความรู้เป็นสาคัญถือเอาความรอบเป็นสาคัญแล้วการเตี้ยที่อธิบายนี้นี่อยู่ที่จุดใดเรื่องที่อธิบายหลักนี้ก็มีอยู่ในตัวของเราทั้งหมดถ้ารูปกายของเราทั้งกายนั่นะเทียท่ยวกันตรงไหนกับกายของเรา ก็เป็นทุกข์ของเราสะเทือนเราแน่มันเป็นอยู่ที่นี่เพราะฉันจึงต้องพิจารณาที่ตรงนี้เพราะนี้เป็นบ่อแห่งเรื่องที่เกิดขึ้นกระทบกระเทือนกับเราสิ่งภายนอกยังกายแสงกายสิ่ง น, นี้กระทบเราอยู่ตลอดเวลาจึงต้องพิจารณาให้เห็นชัดอยู่โดยสม่ำเสมออย่าได้หลงอย่าได้หลงกลมายาของสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวแสดงอย่างนั้นขึ้นมาแล้วหลงเชี่ยถ้าปัญญาไม่ทันก็หลงอหลงไปยึดไปถือ หลงสำคัญว่าตนเป็นนั่นตนเป็นนี้เข้าไปแล้วก็ในขณะได้ที่หลงนั่นแหละคือพิเรนได้ท่าแล้วได้เปรียบเราแล้วเราแก้ไม่ทันต้องพยายามแก้ให้ทันการพิจารณาปัญญาพิจารณาอย่างนี้ไม่ว่ากายพิจารณาให้เห็นตามความจริงอย่างนี้เลยทันาไม่เกิดจากไหนเราเกิดจากกายนั่นแหละอาศัยกายเป็นที่เกิด แม้จะไม่รู้เรื่องมันก็ตามเวทนาเป็นเวทนาไม่รับรู้กับจิตอกับกายก็ตามกายเป็นการม่รับรู้กับเวทนาก็ตามแต่มันก็เกี่ยวเนื่องกั น, กนอยู่จิตเป็นผู้รับรู้อีกเนี่ยถ้าจิตไม่ฉลาดจิตงูกเขาว่าปัญญาก็ต้องประยึดเอาทั้งสองนี้เข้ามาเป็นไฟเผาตัวเองอีกอจึงต้องใช้ปัญญาพิ่จรณาแยกแยกให้เห็นตามธรรมจริขงของกายของเวทนาของจิตให้ทับเปลี่ยนลงไป การพิจารณาทำขั้นนี้เทินเทินมากทีเดียวอ้าวนี่ขั้นนี่เป็นขั้นธรรมดาที่เราแบบเทินเป็นขั้นหน้าดื้อขั้มขั้นสม่ําเสมอเป็นความเทินเอาที่นี่ขั้นที่เกิดความขั้นที่จนกรอกจนมุมคืออะไรขั้นที่ลูกคเวษนาเกิดมากๆนี่แหละเป็นขั้นที่หัวเยื้องหัวต่อขั้นที่เอาจิงเอาจังทีเดียวอ่าขับเป็นแชมเปี้ยนก็เข้มขัด แชมป์จะหลุดทําไม่เก่งทำงไงยจะให้เขมขัดมันคงที่อยู่ได้ให้ได้ชัยชนะต้องใช้ปัญญาทีเดียวเอาเป็นนักต่อสู้ไม่ยอมถอยนอกจากลมให้ใจสึ้นไปเสียทะ น, นั่นถึงจะถอยทุกจะเกิดขึ้นมากน้อยเราต้องถือเวลาตายเป็นสำคัญยิ่งกว่านี้ขนาดที่เป็นอยู่เวลานี้ยังไม่ตาย ขนาที่ตายยันมันหนักยิ่งกว่านี้จนทนไม่ได้ถึงขั้นตายเพียงเท่านี้เราจะพิจารณามันไม่ได้เห็นตายเราจะพิจารณาได้ในขนาดตายเพียงเท่านี้เราสู้ไม่ได้ทุกเวทนาเกิดมาเพียงเท่านี้เราสู้มาได้ถึงขนาดตายเราจะสู้ได้อย่างไรเพียงเท่านี้เรารู้เท่าไม่ได้ถึงขั้นตายจะรู้เท่าได้อย่างไรหนักเอามาเทียบเทียมเอาเข้าไปพิจารณาเข้าไปอทุกเวทนาที่เกิดขึ้นในขณะนี้กับทุกเวทนาในขั้นตายมันเป็นเวทนาอันเดียวกันซึ่งจะต้องใช้ พิจารณาด้วยปัญญาให้อย่างแหลมคมให้รู้เท่าทันเช่นเดียวกันพิจารณาแยกแยะมันเจ็บมันทุกข์มากเท่าไรจิตวิ่งไม่ถอยหมุนตัวเป็นเกลียวเข้าไปสู่ความจริงคือทุกขเวญนากับกา ย, ก, ก, ายกับจิตแยกกันให้เห็นชัดเจนในขณะนั้นโดยปกติมันเป็นคนอย่างละอย่างอยู่แล้วนี่ตามหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้กายเป็นกายเบทนาเป็นเบทนาจิตเป็นจิตแต่มันมาค้าเข้ากันเพราะความโง่ความหลงของเราเท่านั้นเอง ธรรมชาติเข้าก็คือวาเล่าเป็นคนไปกว้านเอามาค้าเข้ามาเป็นตัวเป็นเราเป็นของเราต่างหาธรรมชาตินั้นเขาไม่ได้รับทราบว่าเขาเป็นอะไรก็ตางแม้จะเกิดทุกข์ขึ้นมาเขาก็ไม่รับไม่รับทราบไม่มีความหมายในตนมาเป็นทุกและเป็นทุกข์ให้แก่ผู้ดัาสิ่งเหว่านี้เป็นความสําคัญของของจิตเราทั้งนั้นกายก็ไม่ได้สำคัญตนมาเป็นทุกทั้งทั้งที่เวลาทุกข์เกิดขึ้นอย่างมากมายภายในร่างกายกายทำไม่ทราบความหมายว่าตนเป็นทุกและไม่ทราบความหมายว่าตนเป็นไรเป็นของไข่เลี้ยงนาคือความทุกข์เป็นต้น ทุกมากทุกน้อยตอบเป็นธรรมชาติความจริงของตนอยู่ไม่ได้มีความสําคัญนั้นหมายแล้วมีความรู้สึกว่าตนนี่เป็นอะไรและเป็นขึ้นกับสถานที่ไรเป็นขึ้นเพื่อกระทตกกระเทือนอะไรเป็นเหตุเป็นผลกับอะไรกับใครไม่มีทั้งนั้นเป็นความจริงของเขาล้วนสําคัญที่จิตจะต้องพิจารณาให้เห็นชัดเป็นตามสิ่งเหล่านี้ทุกก็เห็นว่ามันเป็นความทุกข์อย่างแท้จริงของมันอันหนึ่งเพียงเท่านั้นไม่ให้มันคลื่คลานออกมาหาเราว่าทุกเป็นเราเราเป็นทุกไม่ว่าทุกเป็นกายกายเป็นทุก อืถ้าอย่างนั้นมันค้าเข้ า, ขากันผมพิจารณาให้เห็นชั้นดังนี้นี่แหละคือพิจารณาเวทีอันสำคัญขึ้นเวทีอันสำคัญขึ้นตรงนี้แหละเดี๋ยว่าจนกรอบหาทางออกไม่ได้ต้องมีแต่ทางสู้โดยถ่ายเหยียบหาทางถอยถอยไม่ได้ทุกเวขนัเราถอยไม่ได้อยังไงถอยแสดงมันมีเหยียบย่ำเราลงไปจนตังตีตะตังไม่มีกับตัวเลยดีได้หรือไม่ ตายด้วยความเสียสติล้มละลายด้วยความเสียสติด้วยความไม่มีท่า ม, มีปัญญาเป็นเครื่องต่อสู้ เ, ล, เ, วเลวที่สุดน่ะี่เรียกว่าเลวที่สุดแพ้ที่สุดแพ้อย่างบุรุษลุยใครต้องการหรือควำว่าแพ้อย่างบุรุษลุยนี่มีใครต้องการบ้างแล้วเกิดขึ้นกับเราเรายังจะต้องการความแพ้อย่างบุรุษุยนี้เหรือนะอนพิจารณาลงไปทำไงจึงจะไม่แพ้เอาค้นลงให้ชัดเจนจิตตายไม่เป็นจิ ต, ต, ไ, มจตไม่ใช่เป็นผู้ตายจิตเป็นนักต่อสู้สู้ทุกสิ่งทุกอย่าง ทุกเคยเกิดมานานแล้วตั้งแต่วันเกิดจิตยังต่อสู้มาได้ทำไมผู้เกิดขึ้นในขณะนี้จิตจะต่อสู้ไม่ได้ล่ะสติปัญญาเราก็เคยใช้พระพุทธเจ้าเคยใช้สาวกท่านเคยใช้ทำไมเรามาใช้จะอับภาพไปได้หลืออับภาพไปไม่ได้เมื่อเราเป็นนักรบอยู่แล้วเป็นผู้สนใจต่อปัญญานำมาพิจารณานำมาค้นคว้าให้เห็นชัดเินชัดเจนตามเรื่องรูปตามเรื่องเวทนาตามเรื่องของจิตที่กำลังต่อสู้หรือปัจจุบันอยู่ในเวลานนี้แยกกันให้เห็นตามความจริงของมันด้วยความจริงอันแท้จริง โดยทางปัญญาของหลักนี่แหละจะได้ชัชชนาที่ตรงนี้พอได้ชัชชนะที่ตรงนี้อย่างประจักษ์แล้วเอาตายเธอนานมันขึ้นทันทีเลยจะ ต, ตายที่ไหนก็ตายเธอเวลาไหนก็เธออิเดียบทใดก็เธอมันเป็นความจรงิงเสมอกันหมดทุกเป็นทุกข์เราเป็นเราคือความรู้อันนี้เป็นความรู้กายเป็นกายเวทนาเป็นเวทนามันต่างอันต่างจรงิง <c oughs> เอา้าดับดับไปถ้าไม่ดับจะอยู่ก็อยู่ไป ผูรู้รอยู่เสมอจนกระทั่งหมดเครื่องนับทราบหมดเครื่องนับรู้หมดเครื่องมือที่จะให้รู้ล่อยตามความจริงดังที่พระพุทธเจ้าท่านปรินิพานคือหมดเครื่องมือในขันที่จะนํามาใช้เหลือแต่ธรรมาชาติาล้วนๆปรินิป ร, ปรินิพานขึ้นมาคําว่าดับรอบไม่มีอะไรเหลือเลยนี่สงครามหรือการพิจารณาให้เห็นจริงเห็นจัง ให้เห็นความสามารถของตนว่ามีความก ล, วกล้า้าสามารถขนาดไหนหรือมีกำลังอาภัพลงไปแค่ไหนเราจะทราบที่ตรงนี้เมื่อทราบที่ตรงนี้ว่าเรามีกำลังสามารถได้แล้วกับสัจธรรมที่แสดงตัวนี้ต่างอันต่างมีความเสมอภาคกันด้วยความจริงแล้วออไม่มีหวัง เราต้องการความไม่มีหวันเราต้องการความปลอดภัยไม่มีอะไรมายั่วยนจิตใจเราให้เกิดความรุ่งหลงทุกขเวทนาเบตนาเป็นของจริงก็จริงใจคิดใจเที่ยมันมันชอบแทรกเสมอชอบหลอกเสมอถ้าปัญญาไม่ทันก็หลงกลมันได้คึงต้องใช้ปัญญาพิจารณาเห็นแจ้งทัดเจรนี่เราพูดถึงเรื่องขัานขั้นเรื่องธาตุเรื่องผม รูปธาตุรูปปะขันธ์เบทนาขันธ์แสดงตัวขึ้นเป็นความทุกข์ว่าร่างกายเราเป็นทุกข์เลทนาเป็นกองทุกข์ขึ้นกับเรากายเราจรึงอยู่ในท่างกลางอาจจะถูกทั้งสองอย่างนี้กระดังกันเข้ามากระทบเลกลายเป็นเนื้อบนเสียงไปได้ทั้งนั้นหมุนขึ้นมาเขียงหมุนขึ้นมามีดสับลงไปอืม ตัวเราคือจิต ก, ก็เลย แ, และเอียดพอดีถ้าปัญญาไม่รอบแต่ถ้าปัญญารอบแล้วเรานั่นแหละเป็นผู้ที่จะฟันอะไรต่ออะไรเขียงก็เราฟันลงไปได้มีดเราหามาได้คือปัญญาของเราสิ่งเหล่านั้นเลยเป็นอุปกรณ์ให้เราใช้อย่างสบายๆถ้าเราถาลาดถ้าเราไม่ถลาดกสิ่งเหล่านั้น เ, าน เ, นเราฟันมือหรือมีดฟันมือคนงานะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญดาณนี่แน่เป็นข่าศึกต่อเราผูโ้โง่ ถาเราเป็นผู้ฉลาดสิ่งเหล่านี้แหละเป็นเครื่องมือที่เราจะให้จิตทงเรามีความแหลมคมเพราะอาศัยสิ่งนี้เป็นเครื่องรักเราพิจารณาสิ่งเหล่านี้จึงเกิดความเฉลียวฉลาดขึ้นมาถอนตนขึ้นมาได้ด้วยความฉลาดเนื่องจากการพิจารณาสิ่งนี้นี่เป็นเวทีอันสําคัญในการพัฒนา พูดถึงเรื่ทุกขเวทนาตั้งกายกับจิตอาที่นี้เราพูดถึงเรื่องการพิจารณาโดยทุกั่วๆไปในสัจธรรมตั้งแต่ขั้นต่ำจนกระทั่งถึงสูงสุดเราก็พิจารณาอย่างนี้เหมือนกันเวลาเกิดเรื่องขึ้นมานี้ก็พิจารณาอย่างนี้เวลาไม่เกิดเรื่องก็พิจารณาให้เข้าใจสิ่งเหล่านี้จนกระทั่งล่อยวางได้อีกเช่นเดียวกันอนน วิชาปฏิยาสร้างขาราสร้างขาราปฏิยาวิญญาณวิญญาณปฏิญาณมรูปังเรื่อยๆมันส่งออกมาจากจิตเนี่ยท่านอาจารย์มั่นสำหรับทิฏฐิภูตังอวิชาปัฏิยาสร้างขาราขันธ์ทิฏฐิภูตังหมายถึงจิตอวิชาอาศัยจิตเป็นอวิชาปฏิยาสร้างขาราขึ้นมาฉะนั้นจึงต้องพิจารณาลงไปที่นั่นลงไปที่อวิชาปฏิยาสร้างขารามันออกมาจากจิตเป็นขึ้นจากจิต มีจิตเป็นที่อาศัยของอวิชชาไม่มีจิตอวิชชาอาศัยไม่ได้นะจึงต้องพิจารณาลงไปสู่ที่ไหนทำละางนี้นั่นฟาดฟันกันลงไปที่นั่นด้วยสติปัญญานทันสมัยอวิชชาขาดกระจายหมดอวิชชาวัตเวะค่ขาอยู่ที่นี่กันดําดับดับดับดเรื่อยไปเมีภาษาเจริญวัสทุกขั้นภาษาเรื่องทังหมดสมอะม่โรโทโฮติ ในเบื้องต้นของอวิชชาว่าสมุทรโยโโหติทากกลายเป็นอวิชชาวัตเรวาเซบะสารากา ร, า ร, รานิ โ, โราสรางการนิโรธแล้วก็เป็นนิโรโธโหติเอวมตัสสะเจริญตัสขั้นตัสสะนิโรโธโหตินั น, าา น, าานโโโหุนน่คลิกกันเพียงเท่า น, นั้นตายเป็นนิโรดดับสนิทขึ้นมาภายในใจคือดับที่เหลือดับสนิทไม่มีอะไรเหลือเลยนี่เป็นเป็นขั้นสุดท้ายหองการสร้างบ้านสร้างเรือน มาตั้งแต่ความหม้ทั้งต้นมาปลูกบ้านปลูกเรือนมาใช้กบรวมอย่างมาเลื่อยมาอะไรกัน แ, แต่เจกนกระทั่งถึงสําเร็จขึ้นมาเป็นบ้านหลังอัศจรรย์ที่สุดขึ้นภ า, ายในิใจของเรามีความลําบากเป็นธรรมนาแต่สุดท้ายก็มีความอัศจรรย์อย่างยิ่งจากความลําบากนั่นแหละความลําบากนั้นจริงเป็นเครื่องสนับสนุนได้ผลนี้เกิดขึ้นเป็นที่พึงพอใจ ดังหลักธรรมท่างกาาาล่าวว่าพุทธศาสนานตารางกขังทุขเกิดจากเครื่องความทุกข์คือการประกอบทุกข์แล้วก่อนจะได้ความสุขนี่การประกอบความท่าเพียรจะเป็นของง่ายๆเมื่อไหร่ต้องแบบแต่กองทุกข์ด้วยการกระทําทั้งนั้นนักก็ทําเบาก็ทำํำนักก็ทุกเบาก็ทุกหน่วงจนมาตั้งถึงขั้นความสุขอันสมบูรณ์ก็เกิดขึ้นมาจากความทุกขท์ที่เกิดเนื่องมาจากการกระทํานั่นแหลนะนา นี่เป็นบ้านเป็นเมืองอันสมบูรณ์แล้วท่านหนึ่งเป็นสมาธิท่านหนึ่งเป็นปัญญาท่านสุดท้ายเป็นนิมมุติบ้านสามท่านพอพอท้ายอยู่สาบายนี้อยู่กันไปจกนกระทั่งถึงวันปณนิธานแม้จะเป็นท่านผู้ใดก็ตามเมื่อถึงขัานนิมมุติถุพนแล้วเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาต้องอาศัยเป็นไปลําดับในระหว่างขนาันธกิจที่ครองตัวอยู่ต้องได้บําเพ็ญทางสมาธิบําเพ็ญทางด้านปัญญาพิจารณา3ามเรื่องตำราวของมัน เราเป็นที่จะทำให้มีความรื่นเรยเป็นนิหารธรรมเป็นเครื่องดีส บ, สบายสบายในระหว่างขันธภิกที่ครองตัวอยู่จนกระทั่งผ่านเรื่องขันธ์ที่เป็นตัวสมมุตินี้แล้ว ส, สมาธิปัญญาก็ผ่านไปเช่นเดียวกันเพราะเป็นสมมุติด้วยกันแล้วจากนั้นแล้วคําขึ้นมาขึ้นถึงคำว่าบิมุตหลุดไปเลยจากธาตะขันธ์ไม่เพียงแต่บรรลุจากที่เดียวแล้วปล่อยจากธาตุขันธ์ไปแล้วหมดคําพูดที่จะพูดกัน อีกต่อไปยินขอยุติการแสดงเกินทาง